นอนน้องภาชนะไปสมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์สมบูมณ์ขอการบูชาคุณมันพอเกี่ยงมันก็เกี่ยงขอการไปการสื่อสารแล้วก็เจริญธรรมในทุกท่านนะครับเจริงศมทุกคนนะครับตามสบายใส่ดิสก์ก็ซึ่รเดินข้างบ้านก็เดินนะเออตามที่เราตื่นเต้นมัน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 แต่ก็เป็นสามเวลาที่ปริมาณอาหารเท่าเท่ากันกับสี่เวลา น, ะนี่ก็มันก็เป็นกิจที่ส่งพ่อนาะได้เกี่ยวพ้องกับเราหรือวันนี้เรามาฟังลดความเคียรนนะ้องทำในตัดคิดนะบางคนอาจจะเป็นพื้นแรกตั้งแรกในชีวิตมนะอาจจะรู้สึกยากนะแต่บางคนก็รู้สึกเออ ก็สนุกดนะีมีปรูบาอาจารย์มีแม่ชีมีเพื่อนนะมาปฏิบัติด้วยก็รู้สึกอุ่นใจดีมีเพื่อนปฏิบัติแต่จริงเรารูไหมที่วัดที่วัดปุกตโตนี้ก็มีมีพระอาจารย์รุ่นหนึ่งนะท่านเนยแต่ชีมาสองสามปีแล้วนะไม่นอนมาสองสามปีแล้วนะเหมือนยืนอย่าบดนอนแต่อาจจะนั่งหลับนะ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 ไม่ซึมตามเนี่ยนันมันสามารถที่จะอยู่ได้นะันงทีแ้วก็ยอมรับเราไม่เราไม่ได้ปฏิเสธนะว่าจะต้องไม่ง่วงนะจะต้องไม่เหนื่อยนะอันนี้คือเรื่องธรรมชาติของกายนะที่อาจจะงว่วงอาจจะเหนื่อยยิ่งจะโดยเพหลายคนยิ่ง้หน้าสันเสินเนาะไปปลูกป่านเดินขึ้นเขาตากแดดปลูกต้นไม้ขับนาไปยังมา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 แต่ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะทำไมถึงเกิดอย่างนั้นอย่างนี้เนะ่คือเราไปอยู่ในความคิดนะเหตุผลก็คือความคิดอย่างหนึ่งแต่เราอาศัยสติปัญญานะดูไปเรื่อยๆนะมันจะเกิดปัญญาคาว่าพิจรารณานเนี่ยไม่ใช่คิดนะแต่คือมันเป็นปัญญาที่เราเห็นเนะมื่อเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆ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 ธรรมะนะท่านทิ้งไว้ในหะ้เราอยู่แล้วนะมันอยู่ที่ว่าเราจะทำหรือเปล่านะถ้าเราทำเราก็ได้ผลนะถ้าเราท้อเราก็ทุกใจเหมือนเดิมบางทีก็ไม่เกี่ยวนะครนะูบาอาจารย์อยู่หรือไม่อยู่ถ้าเราไม่ทำาก็เหมือนเดิมนะแต่ถ้าเราทำเนะี่ยมันก็ต้องเกิดผลของเราเองนะอันนี้คนทีแม้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 ถือว่าเราได้บูชาครูบาอาจารย์ถ้าเราทำแบบนี้นะถ้จะทำอะไรก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ห่างจากครูบาอาจารย์เลยเราทำครัวอยู่ที่โรงครัว <c oughs> ก็ถือว่าทำคัวถวายถวายครูบาอาจารย์ใช่ไหมถ้าไม่มีแม่ครัว น, นั่งปฏิบัติธรรมหรือพระสงฆ์ก็ลำบาก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 เอาปลาตระปองเอานามา่าเอาอาหารแห้งนะให้หลวงพ่อมาหลพ่อก็เอาใส่ขึ้นรถรถบัสมาลงต่อตองแถวลงตีนเขาถ้ามีโยมช่วยขนมาก็ดีหน่อยแต่ถ้าไม่มีก็แบกขึ้นมาเองแบกปลาตระปองแบกนาม่แบบกบแบบแบบข้าวสาลขึ้นมามาเพื่ออะไร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 เราไปตักน้ำไม่ใชที่กุติเอาพวกเราเนี่ยือว่าสะดวกสบายแล้วเนาะอืมดังนั้นเวลาเจอความยากลบากนะแสดงให้เราคิดถึงอ่าครูบาอาจารย์นะคิดถึงนั่นะบรรพุตุกของเราที่เขาลำบากกว่าเราดังนั้นบางทีเรามาอยู่วัดนะกุฏิก็ดูไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าที่บ้านนะอาหารการกิน ก็อาจจะไม่ได้ปา น, นี้เท่าที่บ้านของเราอแต่อย่างน้อยสิ่งที่เรามีคือเราไม่ต้องอยุ่งเต็เราไม่ต้องอยุ่งจัดการมากเพราะฉะนั้นเราจะได้มีเวลาภาวนามากขึ้นนี่ถ้าเราวางใจอนะู่นืมเราก็จะคล้ายๆอยู่ง่ายกินง่ายอะไรก็ได้เพราะว่านั่งปฏิบัติธรรมจริงๆเนี่ยจะไม่เรื่องมากแล้วก็อาศัยว่า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 สู้กับทีย์เลเยตสู้กับความอยากนะสู้กับความท้อให้มาอทําความเพียรต่อแม้ง่วงขนาดไหนแต่ก็ตั้งใจอว่าจะหลังไม่แตะพื้นใช่ไหมวันนี้พวกเราตั้งใจแบบนั้นไหมง่วงขนาดไหนอหลังไม่แตะพื้นแต่อเนกประสงคพิงได้พิงได้นะแต่ระวังสีราะแล้วกัน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 คนวัยกลางคนนะเนาะเห็นอาสนุ่มๆเห็นโยมเศรษา ว, าวยังตู้ยังทำวามเทียดเยอะเนี่ยเราก็เป็นกำลังใจได้ตัอย่างที่ว่าเราหลงตาคมนะเมื่อวานอายุ90 <c oughs> 9 <90 S 1> <c oughs> ีพอดีหนแต่ท่านยังเดินจงกรมทุกวันนะยังนั่งยกมือสร้างังหวานทุกวันเนี่ยทำไมคนอายุขนาดนี้ ร่างกายแบบนี้เขายังเห็นความสําคัญในเรื่องการภาวนานเราเองอ่ะจะรอเวลาขนาดไหนเขาจมาภาวนานว เ, าา เ, น, เนะ่ยเราก็มาเตือนตัวเองเลยนะเราก็จะเห็นความเพียรนะคือกิจที่ต้องทําวันนี้ะใครจะรู้ความตายในพรุ่งนี้<ม>ถ้าเราทําความเพียรวันนี้นยะอย่างพระพุทธ เ, เจ้าท่านบอกว่านะ่ผู้ที่มีนะผู้ที่มีสตินะ่ แม้เพียงเวาตีเดียวก็น่าชนนะถ้าวันนี้น่ะลาตีนี้เราพยายามฝึกสติน่ะแม้ลาตีนี้นะถ้าสติต่อเนื่องตื่นรู้ดีๆเนี่ยก็น่าสรรเสริญนั่นกว่าการที่มีชีวิตอยู่ยืนยาวนั้นหลายสิบปีน่นถึงร้อยปีก็ได้เนาะนั้นความเพียรที่เราทําวันนี้น่ะไม่เสียหายที่ไหนเนาะอ่ะก็คงพอสมควรนก็